บุ๊ส <Book> 2 44วารเดกวารไปเที่ยวกลางคืนเวสเปเรเอลีริที่นี่มีดิสโกเทคไหมช่เอสตาสดิสโกเทกองชิที่ eh? ที่นี่มีไนท์คลับไหม ชูเอสตัสน o ตุอ๋ที่นี่มีผับไหมชูเอสตัสริงแค่ e อชิเตียเย็นนีที่โงละครมีอะไรชิโอเอส s ัสช e เวสเ e เรเอ็นนาเ e ี t เท o ียเย็นนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรชิโอเอสตัสชีเว e เปเ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 ฉันต้องการนั่งข้างหลังมิฉะทัตุสีตมาลันทาวัยฉันต้องการนั่งตรงกลางมิฉะทัตุสีดิเอเอินเอ็นลามฉันต้องการนั่งข้างหน้าสีด u ทุเ a อว คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมช่วยพวสอิออนเรคคมเมนดิอัมีการแสดงเริ่มเมื่อไหร่คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหมชวยพสฮาวิกิอัมีบิเลตตต้แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหมชเอสตกอลเฟยร็อกซิเม แถวนี้มีสนามเทนนิสไหมชูเอสตสเทนิสเอยบพรัซีไหแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมชูเสตสแอนฮารานาเจียบพรัซีไห